ที่เรามีบุญบุญบันดาลให้เราได้มาปฏิบัติธรรมเพื่อถอนตนออกจากทุกภัยในวัฏสงสารนี้ให้ไม่ภาบเพียนพยายามคนนั้นก็บพ้นทุกไปไม่ได้เอาใครอยากจมอยู่ในทุกนี่ก็ ใครสนุกนอนสนุกกินไปใครเบื่อทุกในวัฏรสงสารอันนี้แล้วก็ตั้งใจลงไปมันก็มีสองทางเท่านี้แหละถ้าใครอยากโคกเวียนอยู่ในโลกนี้ก็เอาเกียรคลานไปมันก็มีสองทางเท่านี้เองเนี่ย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 ได้นั่นก็เพราะอาศัยความเชื่อนี่แหละเป็นกําลังอ่ะอเชื่อว่าการทำอย่างนี้นะมันจะเป็นทางพ้นทุกจะเป็นหนทางไปสู่ความสุขอันเป็นแก่นสารแน่นอนทีเดียวอ่ะเชื่อในใจอย่างนี้แล้วมันก็ภาคเพียนละตอนนี้นะในขณะที่ภาคเพียนพยายามอยู่นั้นก็เป็นผู้มีสติ ถ้าเพียนไปโดยปราศจากสติสัมบัติ ญ, ญาความภาคเพี้ยนนี่มันก็ผิดบ้างถูกบ้างไปอย่างนั้นเนี่ยบางทีอาจจะผิดมากกว่าถูกก็ได้เพราะว่ามันมันขาดสติสัมบัติ ญ, ญาแล้วส่วนมากก็มักจะมีความคิดความเห็นไปผิดทางไปดังนั้นแหละ เมื่อมีความเพียรพยายามไปก็ต้องมีสติกำกับด้วยสติปแปลว่าความระลึกได้คือระลึกเข้ามาหากายระลึกเข้ามาหาใจนี่เอาสติเข้ามาปกครองจิตอยู่ภายในนี่นะเมื่อจิตนี้หากว่ามีสติยั่งเข้าไป ปกครองไ ป, ปกอขับปกครองอยู่ภายในแล้วมันไม่ค่อยดิ้นรนไปที่อื่นมันก็มักจะสงบอยู่ภายในไม่ค่อยจะถูกตันหามันจูงไปตามประสงค์เพราะว่าสติมันเข้าไ ป, ปก็ขับปกครองจิตให้สงบไม่ให้ดินน้นรนทะเยอทยานอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกนี้ นี่แหะการกระทํำนะให้เข้าใจไม่ใช่ว่าการกระทาอุบายแยบคายในใจไม่ใช่เหมือนอย่างว่าไปทํานาทําสวนต้องออกกําลังกายต้องตัดขุดหัวไม้ไงหัวตอต้องคลาดต้องใช้อะไรต่ออะไรกลาด ก, กําลังบากหลังสู่ฟ้านาสู่ดินอย่างนั้นไม่ใช่นี้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 ไม่เฉ่นนั้นแล้วจิตนี้มันก็หลงอ่ะมันจะไปหลงสำคัญเราเป็นตัวเป็นตนเป็นของตนนั้นแลหละหวงแหนไม่อยากให้ใครด่าว่าตีเพี้ยนไม่อยากให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยที่สุดก็ไม่อยากให้ตายง่ายห ว, หวงไว้อยู่ครั้นเมื่อมันไม่เป็นไปตามใจหวังแล้วจิตนี้มันก็มีแต่ทุกข์แต่โศกแล้วบ้านี้ตรอมใจนะ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 เราก็กําหนดรู้ตามสาภาพความจริงแล้วส่วนเวทนานั้นก็ต้องกลัวกาหมายคขาว่าถ้าไม่กลัวกาแล้วมันจะหลงมันจะวันไหวเมื่อเวลาทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็จะต้องเสียอกชกใจไปโทมนัดคับแขนเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็จะเพลินจะเมา จะไม่สามารถจะทำจิตให้เป็นกลางได้ก็มันหลงเวทนาเนี่ยมันหลงสำคัญว่าเป็นตัวเป็นตนนะดังนั้นจึงต้องเอาสติเข้าไปเตือนจิตนี้ให้กำหนดรู้ว่าเวทนานี่ไม่ไม่มีตัวมีตนเราเขาอะไรเลยสักแต่ว่าสมมุติกันว่าเอาเฉย ความจริงก็มีแต่สังขาร น, นั่นแหละมันปรากฏเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนแตกดับไปเวทนานี่มันเกิดจากผัสสะความสัมผัสระหว่างกายกับจิตนี่นะถูกต้องกันเมื่อร่างกายนี่มันวิบัติมันก็สัมผัสกับจิตนี่อย่างรุนแรงก็ทำให้เกิดความรู้สึกไม่ปกติ ป่วนปันวันไว้ไปมาอันนี้ท่านเรียว่าทุกขเวทนาเมื่อร่างกายนี้ยังปกติอยู่ยังไม่แปรปรวนเต็มที่สัมผัสกายกับจิดนี้มันก็อ่อนละมุนละไมไม่ค่อยโลดพนมีความรู้สึกเป็นปกติไปอันนี้่ท่านเรียกว่า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 เมื่อกวันไว้กับเวทนานี่นะความจริงนะแต่คนเราไม่ค่อยได้คิดหรอกไม่ได้ไม่ได้ทวนกระแสเข้ามาคิดดูพันว่าทุกข์ก็ทุกข์ไปอย่างนั้นแหละก็ร้องไห้คร่ำครวญไปต่างๆนานาอยู่อย่างนั้ น, นไอ้ซึ่งจะเอามาสติน้อมสติสัมปชัญญะเข้าไป เข้ามาภายในนี้มาเพ่งดูความจริงของทุกขเวทนาต่งตางๆหมดนี้ไม่ไม่ทำเมื่อไม่ทามันก็ไม่รู้นะเนี่ยผู้ใดทำผู้นั้นก็รู้ชัดตามเป็นจริงนะเพ่งดูดแท้ๆแล้วไม่มีไม่มีเขาไม่มีเราอะไรอยู่ในนี้เมื่อมันรู้ชัดเดย๋ยวนี้มันก็ไม่ถือมัน่น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 มีอยู่ไหนล่ะลองคิดดูสิที่มันเป็นก้อนเป็นหน่วยเหมือนยังภูเขาเรากอนในมีเหลือจิตอ่ะไม่มีม น, นั่นไงะมันก็เป็นนามธรรมาอันหนึ่งที่ไม่มีรูปร่างมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเองเนี่ยไม่ใช่อื่นไกลอ่ะ เมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลใดไม่เพ่งพิจนารณาแล้วมันก็หลงว่าจิตจิตเราเลยแบานี้นะจิตของเราอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้จิตของเราอยากโกรธคนน้นอยากเกลียดคนนี้อยากรักคนนั้นอยากได้คนนี้มาเป็นคู่ครองมาเป็นเพื่อนร่วมถุกขร่วมทุกข์อะไรมือนนี้ก็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 เมื่อติดอยู่ในสมมติมันก็เท่ากับติดอยู่ในทุกข์นั่นแหละเพราะพรสถานทรงตรัสว่าสมุทัยเป็นเหตุให้ทุกข์เกิด <ừ> แม้ธรรมารมที่เกิดกับจิตใจก็เหมือนกันนะันก็ไม่มีรูปมีร่างไม่มีตัวตนอะไรไม่น่าหลงเลยแต่คนเราก็ไปหลงความคิดตัวเองนั่นแหละ อ่าถ้าตนคิดดีขึ้นมากับปื้มอกปื้มใจถ้าไปคิดถึงเรื่องชั่วร้ายกับขับแคนใจอโกรธขุนเคืองอทุกโศกในภายใน จ, ใจิตใจเมื่อคิดถึงเรื่องผิดหวังต่างๆมาก็เป็นทุกข์เป็นโศกเ อ, อยู่ในจิตใจนั้น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 น่าเกลียดน้าชังมาวิตกวิจาร์อยู่มัอนกันเดียววันนั้นเรื่องที่เป็นบาปเลยนันนะมันไปนึกเอาเรื่องที่เป็นบาปเป็นกรรมมาวิตกวิจาร์อยู่ในใจวิตกเข้าไปเท่าไรบาปนั้มันก็ยิ่งมีกำลังกล้าขึ้นเท่านั้นสุดท้ายมันก็บรรดาลให้คนเราทำชั่วได้ทำบาปได้เมื่อมัน คิดไปในเรื่องบาปหนักๆเข้านะนั่นแหละสาเหตุที่คนเราจะได้ทําบาปก็เพราะว่าจิตน่ะมันคิดไม่หยุดไม่ยัง้งมันไม่ทวนกระแสจิตเข้าไปภายในเพ่งพิจารณาดูว่าความคิดชนิดนี้น่ะมันเป็นบุญหรือเป็นบาปควรคิดหรือไม่ควรคิดถ้าคิดไปแล้วมันนําถูกมาให้หรือมันนําทุกข์มาให้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 สิ่งใดที่มันไม่ดีมันงำพุ่งจะคลายทิ้งไปทิ้งไปได้เรื่อยเนี่ยเพราะว่าทวนกระแสะเข้ามาภายในนี่เข้ามาให้มาเห็นศีลอยู่ในใจนี้ให้มาเห็นสมาธิอยู่ในใจนี้ให้มาเห็นปัญญาอยู่ในใจนี้อย่างนี้อย่าไปเห็นอยู่ที่อื่นศีลสมาธิปัญญานี่ย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 เพราะฉะนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงตรัสว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่ได้อะไรหมายก็ว่าอย่างนั้นแหละ mm hmm. เมื่อไม่ได้อะไรก็เป็นคนเป่าๆท่านเรียกว่าโมฆะบุรุษแปลว่าบุรุษเป่า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 จะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้เพราะไม่ได้ทำดีอยู่เฉยๆนี่มีตะกรแล้วกันนินอยู่เฉยๆเนี่ยอย่างนะั้นแหะทำการทำ ง, งานกับทำเพราได้มาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอันนี้ไปวันๆเท่านั้นแหละแล้วถึงเก็บขนขวายทำบุญทำทานอย่างนี้ก็ใหม่แล้ว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 เมื่อหาที่เกิดไม่ได้มันก็ไม่ได้สร้างบุญบา ร, รมีอะไรเลยทีนี้นั่นไงเมื่อไม่ได้เกิดมาเป็นคนนะมันจะเอาอะไรมาสร้างบุญบา ร, รมีละ่ะอดวงกิตนี่มันมันจะมีบา ร, รมีแก่กล้าได้ก็เพราะได้มาอาศัยร่างกายอันนี้ <c oughs> เมื่อได้อาศัยร่างกายเ น, นี่ยก็จึงทํา คุณงามความดีทั้งๆได้หดังที่เราทํากันอยู่ทุกวันนี่แหละกราบไหว้พระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์กตก็ทําได้พวกสัตว์ในไร่ฉานเนี่ยมันกราบไหว้ได้ที่ไหนล่ะนั่นไงกล่าวำคำสรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็ก็กล่าวได้ อย่างไพเราะพ่อพิงที่เราทำวัดสวดบนกันอยู่นี่เนี่ยอันนี้เป็นคำกล่าวฉันละเสริญคุณพระรัตนกรกลว่าเป็นของบริสุทธิ์พุตฟองจริงเป็นที่พึ่งอันประเสริฐ จ, จริงๆนี่ไอคำที่เราสวดกันไปนั้นนะ เมื่อเรากล่าวยกย่องสรรเสริญพระคุณทั้งสามนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลนลยวาจาที่กล่าวนั้นนะก็ไปยกย่องสรรเสริญท่านผู้วิเศษนี่เราไม่ไปยกย่องคนพานคนชั่วหมายความว่าอย่างนั้นแหละเรายกย่องคนดีดีก็ดีจริงนะไม่ใช่ดีธรรมดาเรื่องนั้นแหละพระศาสดาจริงเนี่ทรงตรัสว่าทำดีได้ดี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 คนทั้งหลายนะมันชอบติดความถูกเล็กน้อยอันนี้แหละมันถึงไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรให้เจริญงอกงามขึ้นในตนได้นั่นแหละมันจะไปเป็นสัมเวสีเตือนตนเข้าไป <c oughs> ในพุทธศาสนานี้ลงวิจารณ์รูเพราะพทธเจ้าไม่ได้ส่งเสริมรัธิอ่อนวอนบวงสวงนั่น นั่นไงเพราะการบวงสรวงอ้อนวอนนั้มันง่ายดีนี่ไม่ต้องทรมานอะไรตนให้ลําบากก็ได้เพียงแต่ปลูกโลงพิธีขึ้นแล้วก็อาแต่งตั้งเครื่องสักการะบูชาเอาไปแต่พวกนับถือพระพรหมก็เอารูพระพรหมมาตั้งแล้วก็อ่เส้นสวงอ้อนวอนขอให้พระพรหมนั่นมาช่วยอำนวยความสุขความเจริญให้แก่ตน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 ออันนี้แหละเป็นทางพ้นทุกข์ได้โดยแท้ถ้ายังพ้นทุกข์ถึงมิพคานไม่ได้โดยเด็ดขาดก็จะพ้นทุกข์อบัยภูมิทั้งสี่ตายแล้วก็ไม่ไปตกนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นอสุ ร, รกายไม่เกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานนี่เพราะอย่างนี้แหละที่พระศาสดาทรง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 ตนจะไปไหนก็ น, นั่งรถนันไปสบายไม่ลำบากไม่ต้องเดินย่ำตอกกำพ้นทนแดดไปเสียเวลากว่าเสียอย่างนี้แหละี่ฉันใดคนผู้สั่งสมบุญกุศลไว้ในจิตใจของตอนให้มากๆแล้วนะคิดอะไรก็คล่องแคล่วเดียในปัจจุบันนี้นะ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 นี่ให้หนาแน่นขึ้นในใจแล้วมันก็มันก็น้อมตนไปในทางบาปนั่นแหละกลองงานข้ามน ะ, ะผู้ใดบำเพ็ญทานรักษาสินภาวนาเข้าไปอ่มันก็น้อมไปทางบุญกุศลเนี่ยบุญกุศลก็เกิดขึ้นอนั่นแหละจิตก็เปลี่ยนไปด้วยเมตตาการุณานี่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 ไม่ตกสูงตกต่ำอ่ะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลนี่จึงควรทําโดยแท้ไม่ควรเกียรตคล้านนี้อย่างว่าทําทานอย่างนี้มันก็ต้องมีวัตถุสิ่งของแหละถ้าใครเกียรตคล้าน ท, ทํานาทําสวนทําการค้าขายทํางานอะไรต่ออะไรหมดนั่นแล้วมันก็ไม่ได้เงินมาเมื่อไม่ได้เงินมั ก็จะไปเอาวัตถุไตยทานที่ไหนมาให้ทานได้ฮะคนไม่มีเงินแม้แต่จะหาอาหารการบริโภคมาเรเลี้ยงอัตภาพร่างกายนี้ก็หาไม่ได้เพราะไม่มีเงินเพราะเกียจคร้านเมื่อเป็นเช่นนี้บุคคลนั้นก็ชื่อว่าเป็นโมคะบุรุษอย่างที่ว่ามานั่นนะเป็นคนเปล่า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 ประโยชน์ในปัจจุบันนี้มันต้องบันต้องขยันทําการงานเมื่อเวลายังหนุ่มยังแน่นก็มั่นขยันศึกษาและเรียนสะสมอวิชาความรู้ในการทำมาหาเลี้ยงชีพไว้ในใ จ, จิตใจของตนให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อเรียนจบหลักสูตรเข้ามาแล้วก็จะได้มาประกอบอาชีพอันนี้นะตามความรู้ที่ตนเรียนมานี่ ถ้าตนเรียนวิชาความรู้ทางพาณิชย ก, การมามันก็มันก็มีรูทางที่จะทำการค้าการขายได้ถ้าตนเรียนวิชาความรู้ในเรื่องการทำนาทาสวนมาก็จะมาปรับปรุงนาปรับปรุงสวนนี่ให้มีให้มันเจริญก้าวหน้าไปเหนือกว่าให้มันเพิ่มผลผลิต ให้ได้มากมากขึ้นไปพอคนมีความรู้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นน่ะ <c oughs> ทีนี้เมื่อมีเงินมีทองมานั่นอา้าวอยากทอดผ้าป่าก็ทอดได้อยากทอดกระถิ้นก็ทอดได้นั่นพอเงินมี น, นั่นเลยอยากสร้างกุติถวายไว้ในวัดว่าศาสานาสักครั้งหนึงก็สร้างได้ อยากสร้างโบสถ์สักครั้งหนึ่งก็สร้างได้ตามกำลังเงินเท่าที่มีนั่นอยากรักษาศีลก็รักษาได้เงินมีนั่นแหละก็ไม่ต้องไปเที่ยวดักสัตว์จับสัตว์มาฆ่าต้มแกงกินให้เป็นบาปเป็นคำเป็นเวนคนมีเงินมันก็ต้องไปหาซื้อเอาอาหารบริสุทธิ์นั่นเอง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 คนรวยก็ไม่แต่รวยขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อมันก็เป็นความจริงสิพวกเขามีบุญนี่บุญหนุนส่งเขาอ่ะเขาทำการงานอะไรก็มีแต่เจริญเก้าวหน้าไปเรื่อยเพราะบุญที่เขาทำมาแต่หนหลังน่นนี้มันมาสนับสนุนนะคนไม่มีบุญที่ได้ทำมาแต่หนหลังแล้วทำการงานอะไรก็ไม่ค่อยเจริญเก้าหน้าไปได้ อย่างน้อยก็เพียงแตพ่พอพออยู่พอกินไปเท่านั้นแหะจะให้มันเหลือใช้เหลือสอยเนี่ยมันยากอีหรอกคนมีเงินมีทองเหลือใช้เหลือสอยก็เพราะว่าอาศัยบุญกุศลที่เขาทำมาแต่ก่อนน้นนะมาอำนวยผลให้นั่นลองคิดดูสิเมื่อมันมีทรัพย์ภายนอกแล้ว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 ก็อาศัยความเชื่อนี่เองเนี่เป็นมูลเหตุอ่ะแต่ว่าความเชื่ออย่างว่านนี้มันก็ต้องประกอบด้วยปัญญาด้วยนะอ่านั่นแหละเมื่อเชื่อว่าทําดีได้ดีแล้วก็เชื่อว่ารักษาศีล น, นี่แหละจะเป็นเครื่องป้องกันบาปอาคุณไม่ให้เกิดมีขึ้นในตนอ่ะมันก็สมมาทานมั่นในศีลแหละบะนี่นะนั่นการที้บุคคลจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ ก็เพราะอาศัยบำเพ็ญนิริโธตรประธรรมนี่นมีความละอายแก่ใจในอันที่ะจะกระทำความชั่วทั้งในที่รับและในที่แจ้ง <c oughs> มีความกลัวอยู่ในใจว่ากลัวแต่กรรมชั่วที่ตัวทำนั้นมันจะอำนวยผลให้เป็นทุกข์นี่แหละเมื่อมีคุณธรรมสองอย่างนี้อยู่ในใจแล้ว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 เมื่อมีมีใครไม่มีฮิเดโอทปธรรมนี่อยู่ในใจแนละ้วเมื่อก็ทำบาปได้<ม>เพราะฉะนั้นยังว่าถึงว่ามันเป็นทรัพย์อันประเสริฐนั่นแหละฮิเดโอัปธรรมนะให้พากันสร้างบาเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจอย่าไปล่าเลยการศึกษาเราเรียนมูลนี่นะท่านที่ท่านเดียวกับพาหูสัจจะนะักนะ พระศาสดาก็ทรงตรัสว่าเป็นทรัพย์อันประเสริฐ mm hmm. ก็เป็นทรัพย์ส่เมื่อบุคคลมีวิชาความรู้ในทางโลกเหมือนก็ประกอบอาชีพในทางโลกให้เจริญก้าวหน้าไปได้ผู้มาศึกษ า, เ ร, าเรียนวิชาความรู้ในทางธรรมในทางวินัยในพุทธศาสนานี้ผู้นั้นก็สามารถละชั่วทำความดีได้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 ทองจำเอาไว้ให้ได้มูเนียเมื่อบุคคลจะเป็นผู้ประสบบุญกุศลได้เมื่อหาเงินทองก็ของได้มามากเหลือใช้เหลือจ่ายแล้วก็ต้องจำแนกออกให้ทำบทุญทำทานสงเคราะห์คนที่ตกทุกข์ได้ยากลำบากบูชาท่านผู้มีพระคุณแก่ตนเช่นมารดาบิด า, ดาครูบาอาจารย์ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทั้งหลายเมื mm ่อ hmm. เนี่ยเราสละเจะตุปจัจนี้ออกบูชาอุทิศบูชาหรือว่าถวายแด่ท่านผู้ทรงคุณนิธรรมอันสูงส่งดังกล่าวมานั้นก็ mm hmm. อย่างนี้แล้วมันก็ได้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลขึ้นมาเพราะการบริจาครับภายนอกนั้นแลย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 มันไม่ยอมเสียสละมานะทิฏฐิมันก็ทําความดีไม่ได้เลยเอนั้นท่านยังว่าจาคะเมื่อผู้ใดมีจาคะธรรมนี่อยู่ในใจแล้วผู้นั้นนะสามารถทําคุณงามความดีได้ตั้งแต่อย่างต่ําน่นนะจนถึงอย่างสูงสุดทีเดียวอืสุดท้ายก็คือปัญญานี้ปัญญาความรู้ความฉลาด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 แต่ก็อย่างว่าเนี่ยต้องประกอบไปด้วยปัญญาอย่าไปลืมข้อนี้นะเชื่อมั่นว่าคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์นี่นะเป็นที่พึ่งกำจัดทุกภัยได้จริงๆอย่างนี้นะเมื่อผูใ้ใดเชื่อมั่นในใจจริงๆแล้วว่านี้ผู้นั้นก็ไม่ประมาทแหละกราบไหว้อ้อนน้อมท่อมตนลองอ่า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 เพราะเชื่อว่าเมื่อตอนมีความละอายมีความกลัวต่อบาปต่อโทษอยู่อย่างว่านี่ตนก็ไม่ได้ทำบาปนี่นั่นนล่จะเชื่อมั่นในใจว่าตนศึกษาแล้เรียนพระธรรมวินัยคาสอนของพระพุทธเจ้านี่ได้ประโยชน์แน่ไม่เสียประโยชน์เลยจะมีคุณมีประโยชน์ต่อชีวิตของตอนอย่างมากมายทีเดียว่า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 เช่นประโยชน์ในปัจจุบันก็ไม่รู้อย่างนี้นะมันก็ไม่ทาเลยมัวแต่เกียดคราบนนน่ะไรเดแล้วประโยชน์ในภายภาคหน้าก็ไม่รู้อย่างนี้นะที่ท่านกล่าวไว้ว่าทาตินจากะปัญญาอย่างนี้นะหรือว่าสัทธาสินจากะปัญญานีคุณธรรมสี่อย่างนี้ท่านเรียวกว่าเมื่อมีอยู่ในจิตใจของผู้ใด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 นั่นและประโยชน์ในภายหน้านะควรศึกษาให้รู้ให้เข้าใจประโยชน์ในปัจจุบันเมื่อบุคคลบำเพ็ญประโยชน์ในปัจจุบันดังที่อธิบายมาโดยลำดับนั่นแหละสะสมเงินทองเข้าของได้แล้วอย่างนี้นะเกียรติยศชื่อเสียงอะไรมกกันก็มาพร้อมกันแหละลนวันนี้การทำบุญกุศลก็สามารถทำบุญกุศลได้เต็มที่ถ้าเป็นเป็นผู้ครองเรือนอย่างนี้นะ เมื่อตั้งตัวเป็นฝั่งเป็นฝามีฐานะดีแล้วอย่างนี้เข้าวัดจำทิ้นภาวนาฟังเทศฟังธรรมก็ได้ไปช่วยจิตช่วยธุระจิตวัดการวาต่างๆก็ได้เพราะว่าไม่ไม่เดือดร้อนในภายหลังนี่ครอบครัวไม่เดือดร้อนในครอบครัวน ะ, ะสะสมเงินทองเข้าของไว้แล้วจะเดือดร้อนอะไรอ่ะนั่นแหละ <c oughs> นี่แหลเรียกว่าประโยชน์ในปัจจุบันนะกับประโยชน์ในภายภาคหน้าเนี่ยมันเกี่ยวพันกันไปต่างสนับสนุนซึ่งกันและกันไงประโยชน์ในปัจจุบันกับสนับสนุนประโยชน์ในภายภาคหน้าอย่างที่ว่ามานั่นเลยน ะ, ะยกตัวอย่างเช่นอย่างนางวิสาขาอนธรมมินีกรมหาเศรษฐี ในสมัยครั้งพระพุทธเจ้า น, ะ น, ะนั่นแหละท่านสะสมทรัพภายในมาหลายชาติหลายภพที่ร่วงแล้วมานะได้ให้ทานได้รักษาศีลให้บริสุทธิ์มาได้กราบได้ไหว้ได้เคารพรบรน้อมต่อสิ่งที่มีพระคุณทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นที่สุด มุนกุศลนะมันก็ตกแต่งให้เพื่อนมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองด้วยลาบยศสนเ ส, สริญในความสุขกายสบายใจความเป็นผู้มีอายุยืนยาวนานมาในวัฏสงสารอันนี้นะเมื่อมาในพุทธศาสนานี่ทั้งก็ดได้เกิดมาในตระกูลเศรษฐีนั่นแหละมีเงินทองเข้าของมากมาย เมื่อได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ได้บรรลุโสดาบันเนี่ยว่าได้เห็นแจ้งในอริยสัจจะทำทั้งสี่โดยเอกเทศได้เป็นผู้มีอจาราศรัตามีความเลื่อมใสมั่นในคุณพระรั n นไกรว่าเป็นที่พึ่งองันประเสริฐตลอดชีวิตเลยจะไม่ลหลงไหลไปนับถือลัทธิอื่นใดทั้งนั้นเลยเนี่ย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 เป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่จะต้องกระทำทีนี้ผู้ที่มีอินทรียบารมีแก่กล้าเข้าไปแล้วก็สละการงานในโลกนั่นเสียเรียกว่าสละทัภายนอกนั้นแล้วมาบำเพ็ญตนประพฤติพรหมจรรย์ทำตัวเป็นคนผู้เดียวมาสแสวงหาทรัพภายในอย่างเดียวกว่านี้นะ นั่นแหละมาเสแสวงหาทัพภายในเธอบุญกุศลคุณงามความดีทุกอย่างทั้งที่เป็นส่วนโลกีและเป็นส่วนโลกุตระเมื่อละความเพนคุณธรรมมันเป็นส่วนโลกีมันเต็มบริบูรณ์แล้ววันนี้มันก็พยายามก้าวไปสู่โลกุตระธรรมและวันนี้ชีวิตนะเมื่อ เชื่อมั่นว่าทําดีได้เรียนชั่วได้ชั่วดังกล่าวมานี่นะการกระทําความดีไม่ใช่มันหยุดอยู่ที่เดียวอ่ะเมื่อทําความดีมากเข้าไปเลยความดีคือบุญกุศลเนะี่ยมันกระโดดบันดาลให้เราทําความดีสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปอย่างนี้แหละอา้าวเมื่อรักษาศีนบริสุทธิ์แล้วก็ อ, อยากจเจริญสมาธิภาวนา นั่นแหละก็ศึกษาเรื่องการเจริญธรรมถวิีพัฒนาไปเมื่อเจริญสมาธิให้ชำนีชํานาญใจตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณได้แล้ววันนี้ก็เอาอยากอยากเจริญปัญญาก็ศึกษาเรื่องปัญญาไปเมื่อศึกษารู้แนวทางแล้วก็อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นวันนี้นะนั่นแ เ, เมื่อ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 ย้อนกลัวบุญบารมีมันจะเต็มบริบูรณ์เมื่อนั้นเราก็จะคลนทุกได้ดังแสดงมา